มีคนไทยคนหนึ่งก็ไปขี่จั ก, กรยานไปไกลถึงอินเดียในปานที่จริงมีขี่ไกลแล้วนั้นอีกเดี๋ยวนี้มีคนไทยนิยมการจนภัยหลายๆแบบขี่จั ก, กรยานไปทั่วโลกเป็นปีๆ จตกคนที่พูดถึงนี่เขาขี่ไปงอินเดียไปถึงเนเปาลแล้วก็จนมาทําไปถึงตีนเขายอดตีนเขาเอเวอเรสต์หิมาลัยแล้วก็เขาก็เล่าประสบการณ์ที่น่าสนใจหลายอย่าง เขาเาว่าระหว่างทางก็เจอคนขี่จักรยานหลายแบบบางคนก็เป็นมะเร็งเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายก็อยากจะใช้ชีวิตช่วงสุดท้ายนนะีทำสิ่งที่อยากทำก็ไปกับไปกับแฟนี่เป็นชาวญี่ปุ่น เป็นมะเล็ง น, นะแต่ว่าการที่จะนั่งสมนอนสมรอความตายแล้วก็ทำสิ่งที่ท้าทายสำหชีวิตก็นั่นที่ยากลำบากบางคนก็แขนขาดขาขาดพิการก็ยังขี่จั ก, กรยาน เป็นระยะทางไกลๆปีนขึ้นเขาเจอคนแบบนี้เยอะคนที่คิดว่าไม่น่าจะไม่น่าจะทำได้แต่เขาก็สามารถทำได้แล่จริงมีมากกว่า น, นี้นะคนพิการตาบอดที่ขึ้นไปถึงยอดเขาเอเวอเรสต์ขนาดคนธรรมดาทำไม่ได้นี่ก็มี มีหลายแบบคนแก่อายุเจ็ดสิก็ขึ้นไปได้คนนี้เขาก็าได้แง่คิดว่าที่เขาทำได้เนี่ยคนเราจะทำความสำเร็จทำสิ่งที่ยากลำบากได้เนี่ยก็เพราะการให้ความสำคัญกับสิ่งที่ตัวเองมี ไม่ใช่ไปเสียดายว่าตัวไม่มีอะไรแต่ว่าใช้สิ่งที่ตัวงมีเนี่ยให้เกิดประโยชน์มากที่สุดมีแขนข้างเดียวแต่ใชใ้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดก็สามารถทำสิ่งที่ยากได้หรือแม้ว่าจะเจ็ป่วยเรียวยแรงถดถอยแต่ว่าเรียวแรงที่มีอยู่ถ้าใช้ให้มันเต็มที่มันก็ทำ บรรลุความสำเร็จได้คนเวลาเสียแขนเสื้อขาไปก็หมแต่เสียใจพรานึกถึงแต่แขนที่หายไปขาที่หายไปแต่ว่าไม่ได้นึกเลยว่าเออไอขา หรือแขนที่ยังมีอยู่มันทำอะไรได้บ้างถ้าจะให้เต็มที่นี่มันก็ทำอะไรได้เยอะแยะอันนี้มันก็เป็นคติที่ดีมากทั้งสาหรับการดำเนินชีวิและการปฏิบัติธรรมจะทำอะไรก็ตามจะไปจะไปนึก สมเพศตัวเองว่าโอ้ยฉันไม่เห น, นียว่าฉันไม่มีอย่างนี้ฉันไม่ฉลาดเหมือนเขาฉันไม่มีครูบาอาจารย์ดีเหมือนคนอื่นเขาหรือว่าสถานที่ที่ฉันอยู่นี่มันไม่สงบเงียบอย่างที่มันควรจะเป็นมีความยากลาบากต่างๆไม่สับปะยะหนูเยอะแรงต่างมองแบบนี้มันก็ทําให้หด ทอดแท้แต่ถ้ามองว่าโอ้แล้วสิ่งที่ฉันมีอยู่ตอนนี้เป็นอย่างไรนะเอาหัานมาจดจ่อกับสิ่งที่เรามีความสามารถที่เรามีอยู่นะแล้วก็ใช้ให้มันเต็มที่บางคนอาจจะไม่ฉลาดแต่เขามีความเพียร้วยความเพียรเต็มที่ ก็บรรลุความสำเร็จบูธศาสนานี่ดีตรงที่ว่าไม่ว่าเป็นใครก็ตามก็มีโอกาสที่จะบรรลุธรรมได้แม้แต่คนที่โง่ที่สุดคนที่ยากไร ย, ยากจนคนพิการคนที่ทำความชั่วมาแต่ว่าเขา คือไม่ติดลบนะชีวิตจะติดลบแค่ไหนแต่ว่าไอ้ส่วนที่มีอยู่ม้มันจะมีอยู่แค่น้อยนิดก็ยังเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้เต็มที่อย่างจุรปันธากะนี่ก็โง่เต็มทีท่องคาถาแค่สามสีบ่บรรทัด ก, ก็ท่องไม่ได้เป็นเดือนๆนบางคนเราบางคน อาจจะมีปัญหาในการเรียนรู้มีปัญหาในการอ่านอันนี้เป็นไปได้นะเป็นเรื่องเกี่ยวกับปัญหาสมองแต่ว่าไอสิ่งที่มีอยู่หรือสิ่งที่ยังหลงเหลืออยู่นี่มันก็ใช้ให้เป็นใช้ให้ดีก็ทําได้เยอะคนบางคนแขนขาทั้งสองข้างแต่ว่า ก็สามารถใช้เท้าเล่นกีตาร์คลาสสิกได้ไพเราะมากนิ้วเท้าที่มันเทอะทะสตีนที่มันไม่สามารถที่จะทําอะไรอ่อนช้อยได้อย่างมือเนี่ยแต่ถ้าใช้ให้มันเป็นที่มันก็นดีกีตาร์ดีสายกีตาร์คลาสสิกได้เพราะได้เหมือนกันไม่รู้ทําได้ยังไงแต่คนเรามันทําได้นะ แต่คนเราแทนที่จะนึกว่าเออทางานเราถึงจะใช้สิ่งที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดไปคิดแต่ว่าอุยฉันยังดีไม่พอฉันในนี้ไม่พ อ, พอก็ไปคิดแต่จะไปหาอะไรมาเพิ่มหาละมาเพิ่มแล้วมันก็ไม่เคยได้ได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ บางทีชีวิตคนเรามาไม่ได้ที่การหาอะไรมาเพิ่มพอหามาเพิ่มแล้วแต่ว่าไม่ได้ใช้เป็นประโยชน์ก็เสียเปล่าเมื่อคนที่ไปซื้อซื้อนวนซื้อนี้มาเก็บเอาไว้แต่ไม่ได้ใช้ซื้อเสื้อซื้อร อ, อ, องเท้าสารพัดแต่ไม่ไดเอามาใช้ไม่มีประโยชน์แต่คนที่มีเสื้อไม่กิดตัวแต่ใช้มันเต็มที่มันกลับดีกว่าแล้วคนเราเดี๋ยนี้ไปเป็นเน้นที่ การหาอะไรมาเพิ่มให้ได้มากๆเพิ่มรู้ความรู้ความสามารถยเยอะความรู้ร้อยแแต่ว่าไม่ได้ใช้หรือว่าที่เ้าเรียกว่าความรู้ท่วมหัวตัวไม่รอดแต่ถ้าเกิดว่าเราถึงแม้ไม่มีโอกาสที่จะไปหาอะไรมาเพิ่มแต่ว่าเราเอาสิ่งที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์เต็มที่ ความรู้ที่มีอยู่มันก็พอนะเพีงแต่ว่าพัฒนาให้มันมีความสามารถเต็มที่เท้าที่มีอยู่มันทำอะไรได้เยอะแยะเลกตาขับรถก็ได้ได้เท้าอันนี้เป็นคุณสมบัติฝ่ายกายฝ่ายรูปปธรรมฝ่ายนามธรรมาก็เหมือนกันนะสติปัญญา หรือว่าความสามารถในการความสามารถในทางจิตเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสติปัญญาสมาธิขันติวิริยะภละห้าเนี่ยถ้าใช้ถ้าพัฒนาให้เต็มที่นี่ก็สามารถจะทำาะไดได้เยอะ ไม่ต้องไปไม่จําเป็นต้องไม่ต้องถึงแม้ว่าจะไม่มีอย่างอื่นก็ใช้เท่าที่มีอยู่เนี่ยแต่แน่นอนถ้ามีโอกาสที่จะหาอะไรมาเพิ่มเติมมันก็ดีความรู้ที่มีอยู่มันก็พอถ้าใช้ให้มันเกือบปจะเต็มที่แต่ถ้าจะไปหาเพิ่มมันก็ดีแต่ต้องเอามาใช้ไม่ใช่ไปหามาแต่ไม่มาใช้ ที่จริงในพุทธศาสนานี่มันไม่ใช่แค่ไปหามไม่ใช่แค่หา ม, มาเพิ่ม แ, แต่ที่จริงมันต้องลดด้วยซ้ำมันต้องลดต้องละความสาเร็จหรือความสุขของคนสมัยนี้เขาเชื่อต้องมีให้มากต้องหา ม, มาเพิ่มเยอะๆแต่พุทธศาสนานบอกว่ามันต้องมันต้องมันต้องละมันต้องเอาออกไป มันถึงจะเกิดความงดงามขึ้นเคยไปดูพระพุทธรูปนะที่ประเทศบังกาโปรณารุวะที่เรากราวิหารมีรูปพระพุทธเจ้าในอิริยาบถต่างๆกันยืนนั่งนอนเขาสลักจากภูเขา สลักจากหินหินเนี่ยมันมันหยาบแต่ว่าเขาสลักจงกระทั้งได้ได้โพธาลูที่อ่อนช้อยที่จริงลวดลายใบไม้ดอกไม้เขาก็สลักจากหินแต่ว่ามันก็กลายเป็นอ่อนช้อยขึ้นมาได้ความอ่อนช้อยของงานเกิดจากอะไร เดจากการสลักเกิดจากการเอาหินส่วนที่ส่วนเกินออกไปเมื่อสลักส่วนเกินออกไปมันก็ได้ภาพที่งดงามไม่จำเป็นต้องหาอะไรมาปะมาเพิ่มแค่เอาออกคนที่เป็น สร้งแกะสลักที่เก่งที่สุดในโลกคนหนึ่งชื่อไมเคิลแองเจโลเป็นชัยตัลี่เขบอกว่าเอาสลักพวกเนพวกหินอ่อนหินอ่อนแท่างใหญ่ๆเนี่ยเสลักจนได้ภาพที่สวยงามทั้งเป็นผู้หญิงผู้ชายทั้งรูปคนธรรมดารูปหรือรูปเทพเจ้าเขาบอกว่าเขคนถามว่าเขาแกะสลักได้ยังไงได้สภาพสวยงามแบบนั้นก็เขบอกว่า เวลาเขามองก้อนหินนี้เขาก็เห็นเห็นภาพอยู่ในก้อนหินแล้วหน้าที่องก็คือแกะสลักเอาส่วนที่มันไม่ใช่ออกไปเขาเห็นภาพพระเยซูถราแม่มารียเห็นภาพพวกเทพเขาเห็น อยู่ในแท่งหินที่มันเทิดท้าเนี่ยเขาไม่ได้ทำอะไรนอกจากแกะแกะส่วนที่ไม่ใช่ส่วนที่เกินออกไปแล้วมันก็ได้พาพิสได้รูปที่อ่อนช้อยงดงามมาเองคิดว่าคนที่เป็นผู้แกะสลักพระพุทธรูปการลวิหารนี้ก็คงเหมือนกันตอนที่ท่านมอง ูเขาเนี่ยท่านก็เห็นพระพุทธรูปอยู่ในนั้นแล้วล่ะหน้าที่่างท่านคือว่าแกะเอาหินส่วนเกินออกไปมันไม่เหมือนภาพว่านะภาพวาดนี่มีแต่ทาสีมาปะมาเพิ่มแต่แกสักนี้เอาออก จหินที่เถิดทะน่าเกลียดากลายเป็นพวระลุที่สวยงามจิตใจคนเราเหมือนกันนะคนเหล่านี้จะเป็นพระเจ้าได้โดยเป็นพระอรหันต์ไ ด, นรราาได้นี่คือทุกคนมีเนื้อมีสิทธิ์เป็นได้ทั้งนั้นเมื่อหินทุกก้อนภูเขาทุกลูกก็สามารถจะแกะสลักเป็นพระธุปที่งดงามได้ทั้งนั้น คนเราทุกคนก็สามารถจะเป็นพุท ธ, ธะได้ทั้งนั้นและสิ่งที่ทําคือทำเนี่ก็เอาออกเอาส่วนที่ไม่ใช่พุท ธ, ธะออกเอาส่วนที่มันเป็นเป็นตัวความหลงออกไปเอากิเลสออกไปเอาความหลงความไม่รู้ออกไปมันก็จะเหลือแต่สิ่งที่เป็นพุท ธ, ธะอยู่ คนเรานี่ก็มีทั้งด้านดีด้านไม่ดีผสมผสมกันไปถ้าเราเอาด้านที่ไม่เดี่ยวไปมันก็จะเหลือแด้านที่ดีสวยงามนันก็หมายความว่าทุกคนนี่ก็มีความสามารถที่จะบรรลุธรรมได้ทางนั้น โดยมีพระพุทธเจ้าเป็นแบบอย่างว่ามนุษย์ธรรมดาก็สามารถที่จะบรรลุธรรมเป็นเป็นพระพุทธเจ้าได้คนทุกคนก็มาไปเห็นทุกก้อนเมื่อสลักออกมาแล้วนี่ก็จะได้เป็นพระพุทธรูปที่สวยงามได้ทั้งนั้นอยู่ที่ว่าจะเอาอะไรออกไป เอาออกไปได้ถูกส่วนไหมแต่ละก้อนแต่ละก้อนสลักออกมาเป็นพระทรูปที่ไม่เหมือนกันนะแต่ก็เป็นพระทธรูปเหมือนกันแต่ไม่รูปร่างนั่นระอดรูปล่างหรือว่าผักพั ก, พกลักษณะอาจจะไม่เหมือนกันแต่ก็เป็นพระทะรูปได้ทั้งนั้นไม่มีไม่มี พอจะรูองค์ไหนที่เหมือนกันสั ก, สกองค์เลยเพราะว่าหินที่แกะสลักออกมานั้นเป็นหินคนละก้อนแต่เราดูก็รู้นี่แหละคือบุคคลรูปท่คนทุกคนนี่ก็มีความสามารถที่จะเป็นพุทธเป็นผู้บรรลุธรรมได้อยู่ที่ว่าจะเอา เอาอะไรออกไปแล้วผลที่เกิดขึ้นนั้นก็จะไม่เหมือนกันพระอรหันต์แต่ละท่านแต่ละท่านนี้ก็มีบุ ค, คลิกไม่เหมือนกันบางท่านก็เรียบร้อยบางท่านก็ผงผางบางท่านก็ฉลาดบางท่านก็ทึบแต่ก็มีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันก็คือ คนจากกิเลสงการปฏิบัติของเราเนี่ยเราให้เราตรนหนักว่าเนี่ยสิ่งที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยมันก็พอแล้วสำหรับการที่จะพาเราเข้าสู่จุดหมายสูงสุดของชีวิตเพียงแต่ว่าต้องพัฒนาพัฒนาให้ให้มีให้เต็มที่ ไม่ว่าจะเป็นสติไม่ว่าจะเป็นปัญญาไม่ว่าจะเป็นเมตตากรุณาคันติมันอาจจะอยู่ในสภาพที่ยังไม่ได้พัฒนาเราก็ไม่ต้องไปหาอะไรมาใหม่ก็ได้เอาที่มีอยู่นั่นแหละพัฒนาเป็นที่เพรมีศักยภาพใ น, นขณะเดียวกันก็นก พยายามส ก, กัดเอาสิ่งที่มันเป็นส่วนเกินออกไปกิเลสตัณหาต่างๆออชละเอาแปลออกไปนก็จะค่อยๆดีขึ้นศิลปะในการดวนชีวิตก็คือการลดการละไม่ใช่การเพิ่มลดลาตรทข้งเหลือไม่กี่อย่าง แต่ว่ามันไม่มันไม่ใช่การลดละทางรูปธรรมตอนนั้นก็สำคัญอยู่แต่ว่าที่สำคัญคือลดละในทางนมามธรรมก็คือให้ส่วนเกินในจิตใจที่มันพอกนะจนกระทั่งหนาทึบจนทั้งแข็งเป็นหินนะเอาไปเอาไป มันก็กลายเป็นงินามไม่ว่าจะเป็นไม้ไม่ว่าจะเป็นหินไม่ว่าจะเป็นหยกหรือว่าหินปูนหินอ่อนหยกเนี่ยนะกับหินแกรนิตเนี่ยมันคุณสมบัติมันคนละ คนละคนละชั้นเลยยกนี่ถือว่าเป็นเป็นเป็นหินที่มีราคาตือว่าชั้นสูงส่วนหินกรลเนินนี่มันยากแต่ถ้าสลักให้ดีนี่ก็จะได้ผลงานที่สวยงาม สวยงามกว่าที่สลักจากยกด้วยนะหินแกนที่หยาบเถ้ะากระด้างนี่ถ้าสลักดีๆนี่มันได้ผลงานเป็นจะเป็นดอกไม้เป็นพัทรูปที่งดงามงดงามกว่าที่สลักจากหยกก็ได้รูว่าหินแกนนนี่ถ้าเป็นถ้าเป็นถ้ามีชื่อก็จะ เหมือนคนนะจอสึกน้อยใจว่าฉันนี่ทำไมถึงไม่ได้เกิดมาเป็นเป็นหินตระกูลสูงแบบโยกนะถ้าหินแกรนดิตมาน้อยเม่อต่ำใจอย่างนี้ก็ก็ไม่มีทางที่จะทำอะไรได้แต่ความสามารถหรียศักยภาพนะของหินกกรนดิตนี่มันก็สามารถจะ สลักให้เป็นพู้จ้าที่งดงามได้ที่คนเห็นแล้วก็ตะลึงตะลึงในความสงบไม่ใช่ตะลึงในความในความในความงดงามเท่านั้นแต่หินหินจงมีถ้าสลักออกมาไม่ดีมันก็ไม่สวย เพราะว่าส่วนเกินไม่ได้เอาออกไปให้ให้ครบถ้วนมันก็กลายเป็นไม่สวยไปได้ให้พวกเราอยาไปอไปเวลายไปมองตัวเองว่าต่ำต้อยเราสู้คนเมืน่คนนี้ไม่ได้อย่าไปเห็นเราสามารถจะเป็นเมือกเหนกรนิตที่สามารถจะสาบซมมาได้สวยงามได้ อยู่ที่ว่าเราจะใช้สิ่งที่มีอยู่ให้เต็มที่หรือเปล่าแล้วก็เอาส่วนที่มันเกินออกไปไม่จาเป็นต้องไปหาใหม่ไม่จำเป็นต้องไปทำเพิ่มก็ได้ลองอาไปคิดดูเอาละช้านี้ก็พูดกับท่านี้กลับฮะ องสมมาสมพุทโธพะเขาวาพุทธังพระเขวันตังอะภิวาเทมิสว่าขาโตพะเขวตาธรมโโบธมะนัมมัสสัิสุปฏิปโนพระเขวโตสาวกสังโฆสังขมมั